หลวงพ่อไปลาวกลับมาเป็นไข้มาสองอาทิตย์ละยังไม่หายเลยหมอเปลี่ยนยามาหลายรุ่นนะเอย่าสง่งฉีตออกนอกต้องส่งมาที่หลวงพ่อหัดภาวนาด้วยตัวเองให้ได้นะ ต้องพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งครูบาอาจารย์พึ่งไม่ได้ตลอดครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่กับเรามีสติสัมปชัญญะไว้สัมปชัญญะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่หลงลืมหน้าที่การงานของเราต้องรักษาศีล ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกัตัวก็เจริญสติการเจริญสติอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ฝึกง่ายแต่ใจมันต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อก็ตัว่อนแต่สมาธิไม่มีไปเจริญปัญญาไม่ได้พวกเราต้องฝึกนะ อย่าให้ใจมันร่อนเร่ไปอย่ามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าให้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นถ้าเรารู้กายรู้ใจบ่อยๆไม่นานเราจะเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจแต่ถ้าเราลืมกายลืมใจใจฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นไม่มีทางที่จะมาเรียนรู้กายใจได้ เรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่นะทําสมาธิไม่ถูกมันเดินปัญญาไม่ได้สมาธิที่ถูกเนะี่จิตมันทําหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูรู้อะไรก็รู้รูปธรรมนะสติเป็นตัวรู้รูปธรรมใดปรากฏกําลังปรากฏรู้ นำมาทำใดปรากฏแล้วก็รู้เฝ้ารู้อย่างนี้มิจฉาสมาธิสมาธิไม่ดีไม่เอาก็ไม่มีสติจิตไปรับกุศลอย่านึกว่าสมาธิมีแล้วดีเสมอไปสมาธิเป็นองค์ธรรมที่ไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญา สติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่ดีเท่านะจิตที่เป็นกุศลแต่สมาธิเกิดกับจิต ท, ทุกชนิดได้อย่างจะฆ่าคนก็ต้องมีสมาธินั่นสมาธิที่เจือกิเลสเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวพอนั่งแล้วก็เคลิม้มงอกแงกงอกแงกขาดสติใช้ไม่ได้ นั่งแล้วเห็นนอนเห็นนี้นะไม่ดีสมาธิที่ไม่มีสติเป็นสมาธิชั้นเลวสมาธิที่ออกรู้ออกเห็นไม่จัดว่าเลวหรอกนะแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อมาผลนิพานอย่างสมัยโบราณโบราณก่อนพระพุทธเจ้าเราอีกพวกที่เก่งสมาธิ เขได้อภิญญาห้าเขาได้วิชาสองขาดอภิญญาที่หกคือการล้างกิเลสขาดวิชาที่สามคือการล้างกิเลสการสมาธิะระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกหรือแสดงฤทธิ์ได้ รือสีชี้ไพรแสดงฤติได้มีอิทธิวิธีนะพวกนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าหูทิพตาทิพนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกริดที่สำคัญฤติที่ล้างกิเลสได้ส่วนสมาธินะจิตสงบแล้วก็แสดงอภิญยาอย่างน้อนอย่างนี้ก็งานงันแหละดีเหมือนกัน แต่ว่าไม่พ้นทุกข์ไม่ได้เดินปัญญาฉะนั้นการเจริญปัญญาสำคัญมากนะนี่จะเจริญปัญญาได้ต้องใช้สมาธิแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิขาดสติไม่ใช่สมาธิออกนอกเป็นสมาธิที่ย้อนโอปะนัจโกย้อนเข้ามาดูกายดูใจตัวเอง จนเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจเรียกว่ามีปัญญาตัวปัญญานั่นแหละทําให้จิตบริสุทธ์หลุดพ้นสมาธิไม่ได้ทําให้ใครหลุดพ้นแต่ปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิที่ดีชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่สมาธิที่ชนิดที่ไม่ดีนะไม่มีปัญญาหรอกไม่เกิดปัญญาที่จะล้างกิเลส มีปัญญาอย่างอื่นได้เช่นแสดงที่ได้อะไรได้แต่ไม่มีปัญญาล้างกิเลสพวกพระโพธิสัตว์ทังเจ้าชายสิทธาทาัตถะเราเนี้ยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาติไม่ทั่วท่านได้วิชาสองได้อภิญยาห้าได้มาตลอดนะได้มาบ่อยๆแต่ท่านก็ไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าหรอก ท่านล้างกิเลสได้ด้วยตัวเองสำรวจแล้วทุกท่านก็รู้แล้วหน้าที่ต่อทุกท่านก็รู้แล้วการปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกท่านก็ทำแล้วสมุทยนิโรธมกรกรู้ว่าอะไรคือสมุทยคือนิโรธคือมกรกรู้หน้าที่ต่อสมุทยต่อนิโรธต่อมรคได้ทำหน้าที่นั้นเสร็จแล้วท่านถึงไปปฏิยานตน เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมารู้แจ้งอริยสัจนั่นเองถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจนะห่อได้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเทวทัศน์ก็ห่อได้งั้นเราต้องฝึกสมาธิที่ดีสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นไม่ขาดสติมีสองงานอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนอนหนึ่งาไว้เดินปัญญาสมาธิพักผ่อนก็คือน้อมจิต ไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศล น, นะไม่ยั่วกิเลสน้อจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแค่น้อมน้อมไปไม่บังคับจิตถ้าบังคับจิตจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดนั้นใจถ้ามีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขสมาธิก็จะเกิดแบบได้พักผ่อน ใจไม่วิ่งพลานไปสู่อารมณ์โน้นอารมณ์นี้สมาธิอย่างนี้ควรจะฝึกความสำคัญอยู่ในระดับควรทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งคือจิตตั้งมั่นอันนี้เป็นสมาธิระดับจำเป็นไม่ใช่ควรทำนะในระดับจำเป็นสูงกว่าควรทำต้องทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเอาไว้เดินปัญญา เวลาเราจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่เนี่ยสติระลึกรู้กายจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้คนดูกายกับใจเป็นคนล่านกันสติระลึกรู้เวทนาก็ เ, เห็นเมทนาถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่คนล่างกันเนี่ยแยกขันได้การแยกขันได้เนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่ง ในปัญญาสิบกขั้นการแยกขันได้เป็นปัญญาขั้นแรกเลยต้องแยกในการแยกขันนั้นต้องเคล็ดลับมันไม่ใช่แยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกเวทนากับเวทนาแค่นั้นอันนั้นเป็นการหัดรู้สภาวะไม่ใช่เรื่องแยกขันเป็นแค่หัดรู้สภาวะจะต้องมีแยกออกมานะอย่างน้อยมีสองตัว ตัวหนึ่งคือผู้รู้ตัวหนึ่งคือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ประกอบด้วยกายนะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะวิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจิตเป็นคนรู้อย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ย จิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งอย่างนี้จิตจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้เคล็ดลับมันอยู่ที่ต้องได้ตัวผู้รู้มาเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวผู้รู้นะมันก็เป็นผู้หลงเท่านั้นเองยังไม่เห็นสมัยสามสิบกว่าปีก่อนหลวงพ่อหาครูบาอาจารย์ข้าวัดไหนท่านพูดแต่คําว่าจิตผู้รู้ หลังๆคําว่าจิตผู้รู้มันหายไปไปนเน้นที่จิตสงบจิตสงบก็ดีเหมือนกันดีกว่าฟุงา้งซ่านแต่มันเอาไปเดินปัญญาไม่ได้จิตสงบมาไว้พักผ่อนเงั้นต้องฝึกวิธีให้ได้จิตผู้รู้ที่ง่ายที่สุดก็คือมีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตหลงไปดูรู้ทัน จิตลงไปฟังรู้ทันจิตลงไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ว่าจิตมันไหลไปการไหลมันจะหยุดอัตโนมัติจิตมันจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานโดยอัตโนมัติแล้วนฝะึกนะให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้แล้วอย่าขี้เกียจขยันเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็คือเอาสติเนะี่ย ไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายเบื้องต้นดูสิ่งที่ถูกรู้อย่างร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้นะรู้ไปเรื่อยๆเกิดความสุขทุกข์ขึ้นในกายจิตเป็นผู้รู้เกิดสุขทุกข์เฉยๆขึ้นในใจจิตเป็นผู้รู้นะ เกิดกุศลนะกุศลขึ้นในใจจิตเป็นผู้รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ให้ชำนาญต่อไปพอเราเข้าใจแล้วจิตนีจะค่อยๆวางนะพอมันเข้าใจกายแจ่มแจ้ ง, ขงเขาก็วางกายเข้าใจเวทนาแล้วก็วางเวทนาเข้าใจสังขารแล้ววางสังขารก็เข้ามาที่ตัวผู้รู้ เข้ามาที่ตัวผู้รู้เราก็มาเดินปัญญาที่ตัวผู้รู้นี้ทิ้งตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนั่นจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะจิตผู้รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นทางใจก็เป็นจิตดวงหนึ่งเท่านาั้นเอง เพียงแต่ว่ามีคุณสมบัติพิเศษทรงสมาธิที่ดีเอาไว้ใช้เดินปัญญาได้จิตผู้คิดผูดนึกูดปรุงผู้แต่งเราไปเดินปัญญาไม่ได้แต่เราต้องมีปล่อยให้จิตคิดนึกปรุงแต่งไปแล้วก็มีตัวรู้นะแทรกเข้ามาจิตลงไปคิดเกิดจิตรู้ว่าจิตตะกี้ลงไปคิด เกิดจิตรู้อยู่ชั่วขณะเกิดจิตหลงไปฟังเกิดตัวรู้ใหม่เกิดจิตรู้ใหม่รู้ว่าเมื่อกี้จิตหลงไปฟังนี่ดูอย่างนี้เห็นตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงพฝรู้เฝ้าดูไปสุดท้ายปัญญามันก็แตกชําแนกขันลงไปขันทุกขันมีแต่ของไม่เที่ยงตัวรูเปเบทนาสัญญาสังขารดูง่ายว่าไม่เที่ยง ในตัวจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกที่เรียกตัวบินญยานต้องละเอียดหน่อยที่จะเห็นเราหัดรู้หัส ด, ดูนะจิตเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจอันนี้เราจะเห็นตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้คิดก็ไม่เที่ยงตัวผู้ไปเพ่งก็ไม่เที่ยงตัวไหนๆก็ไม่เที่ยงถ้เห็นเข้ามาตื่นตรงนี้นะแล้เข้าศูนย์กลางศูนย์กลางของชีวิตแล้ว สิ่งที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตก็คือตัวจิตนะจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่เป็นผู้รู้จิตผู้รู้นี่ถ้าพูดภาษาพิธรรมก็คือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอาสังคาริกังฝั่งระเวียนหัวมหากุศลจิตคือจิตที่เป็นกุศลกนะ็มีสตินะ ถ้าขาสติเป็นจิตอกุศลนล่จิตวิบากเฉยๆจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะเบาเลียวละหุตาอ่อนโยนนุมน่มนวลเรียกว่ามูทุตางั้นถ้าหนักถ้านแน่นแข็งแข็งไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลงั้นพอหนาแล้วแข็งทื่อไม่ใช่กุศลหรอกจิตที่เป็นกุศล เบานุ่มนวลน่น อ, อนโยนคล่องแคล่ว่องใบถ้าเฉยๆนืดๆไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลเฉยท้อแท้จิตมีโมหะจิตที่เป็นกุศลนะควรแก่การงานหมายถึง เจริญสมถะก็ได้เจริญวิปัสสนาก็ได้เป็นจิตที่ควรเกี่ยวการงานการงานของจิตนั้มีสองงานคือสมถะกับวิปัสสนานจิตที่เป็นกุศลจริงๆควรแก่การงานจิตที่เป็นกุศลเนี่ยซื่อตรงในการรู้อารมณ์มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่มันเป็นมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ ไม่เข้าไปแทรกแสงกายแทรกแสงใจนะนี่ค่อยๆฝึกไปจิตที่เป็นกุศลไม่มีโลภะนั่งภาวนาแล้วอยากสงบมีโลภะไม่ใช่จิตที่ดีหรือสงบแล้วก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในความสงบเนี้ยโลภะแทรกละไม่ใช่จิตที่ดีมีสมาธินะทรงฌาน แต่ไม่ใช่จิตที่ดีใจมันเจือโลภะลงไปชอบนั่งแล้วหงุดหงิดนจิตมีโทสะนั่งแล้วใจลอยฟุ้งซ่านหรือเสื่อมซึมไปจิตมีโมหะจิต ท, ที่ดีเนี่ยเบานุ่มนวลอ่นอนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การทำสมถาวิปัสนาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติกำกับรักษาจิตอยนั่นคือจิตที่ดีนี่ค จ, จิตที่เป็นกุศลนี่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีสองอย่างกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาในตำราเนี่ยถ้าเข้าฌานได้เขาถือว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ในฐานะนักปฏิบัติเนี่ย เข้าฌานได้ก็ยังไม่ใช่ปัญญาลึกล้ำอะไรกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่สงบเฉยเฉยอยู่ต้อมีสติเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ปัญญาตัวนี้อยู่ในขั้นวิปัสสนาปัญญาปัญญาเฉยๆฉเข้าฌานได้ยังไม่ใช่ความหมายของตัวจิตผู้รู้นี้ จิตผู้รู้ตัวนี้ต้องเป็นอาศังคาริกังไม่ได้บิวให้เกิดเกิดเองอวิธีทำให้มันเกิดเองก็คือมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไแล้วรู้ไปเรื่อยๆในสุดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้ น, ท, นทันทีที่รู้ว่าจิตมันหลงจิตผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติ ในความเป็นจริงแล้วถ้ารู้สภาวะธรรมอันใดหนึน่งถูกต้องตามความเป็นจริงนะตัวรู้ก็เกิดเหมือนกันแต่สภาวะสำหรับพวกเราที่เกิดบ่อยจิตหลงหลงไปคิดเกิดบ่อยเวลาเรียนเรียนจากตัวที่เกิดบ่อยตัวที่นานๆเกิดทีไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเอาตัวที่เกิดบ่อยตัวที่เกิดบ่อยที่สือกหลงจิต ลองค่ดนจิตมีอุทัจจะฟุ้งซ่านรู้ทันมีสติรู้ทั น, ทนจิตที่ฟุ้งซ่านจจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาชั่วขณนะเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกเป็นคณะเป็นคณะไปวันนี้เรียก ว, ว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณนะ่ะดูถูกนะขณะ เวลาเกิดอริยมรรคก็เกิดขนาดเดียวแหละไม่เกิดสองขนาหรอกนั้นจิตมีสมาธิเป็นขณะขแล้วก็เรียนรู้รูปรู้นามไปเท่าที่รู้ได้ต่อไปสมาธิมันค่อยๆเข้มแข็งมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างแสงไฟอย่างเงี้ยเรารู้สึกแสงไฟคงที่จริงๆไฟฟ้าเกิดดับตลอดเวลา แต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วรู้สึกไ ฟ, ฟฟ้านี่สว่างอยู่ตลอดเวลาตัวผู้รู้นี่ก็เหมือนกันมันเกิดดับแต่มันเกิดดับบ่อยๆนะเกิดได้เร็วหลงปุรู้ปั๊บหลงปุ๊รู้ปับป๊ บ, บในสวนมันจะเหมือนทรงตัวรู้อยู่ได้ทั้งวันนะจิตจะเป็นผู้รู้จิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วถ้สติะระลึกรู้กายก็จะเห็น ร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นตัวทุกข์มีจิตผู้รู้แล้วความสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจก็จะเห็นว่าสุขทุกข์เท่าไหร่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นี่เป็นตัวปัญญาทั้งสิ้นสังขารปรุงดีปรุงชัว่วเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้แล้ ว, ลวก็จะเห็นสังขารไม่ใช่ตัวเรา มีของแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆชํานาญขึ้นมาแล้วก็เห็นเองจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้เพ่งดูไปดูไปแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเลยในขันห้าเนี้ยไม่มีอะไรเป็นตัวเราสักอันเดียวเลยกระทั่งตัวจิตผู้รู้งั้นทีแรกฝึกให้มีจิตผู้รู้นะสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ยึดจิตผู้รู้ ถ้ายดจิตผู้รู้ยังเกิดอีกท่านที่ยึดจิตผู้รู้นะสูงสุดที่จะไปได้คือพระนาคามีขั้นสุดท้ายข้ามภพข้ามชาติจริงๆต้องปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ให้ได้หลวงปูด่ดุลึงสอนหลวงพ่อขั้งสุดท้ายที่เจอกันท่านบอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิต จะจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้าเราทรงจิตผู้รู้อยู่เนี้ยตายไปอะไไปพรห ม, มโลกไปเป็นพรหมพระอนาคามีอะไรพวก น, นี้ไปเป็นพรหมตัวผู้รู้นะเราจะอาศัยมันเอาไว้เดินปัญญาจนถึงนาทีที่จะข้ามภพข้ามชาติลนะ้ถึงจะวางตัวผู้รู้ ตอนที่ข้ามพบความชาติบราารลนะุพระอรหันต์นั้นวางผู้รู้ลงไปยังยึดผู้รู้อยู่ยังเกิดอีกน่นเราต้องฝึกนะฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้อันนี้เป็นสมาธิชั้นเลิศถ้าเราได้ตัวจิตผู้รู้มา อย่ารักษามันนะให้เห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับบางคนไปรักษาตัวผู้รู้ไปแก้ยากมากหลวงพ่อเคยทำผิดมีอยู่ช่วงหนึ่งหนะลวงปู่ดูลสิ้นไปแล้วละหลวงพ่อไปพอนายอยู่วัดหลวงพ่อคืนวันหน้าเลือนจำที่สุลินแล้วนั่งดูเห็นจิตมันเกิดดับ ดูไปดูไปมันไวหวอยู่กลางอกนะแล้วนะจิตมันถลำลงไปดูหลงพ่อคืนมาเห็นคนะับท่านก็โวยวาเฮ้ยประโมทไปดูอะไรโถวนั้นนะมันไม่ใช่ผู้รู้นะตัวนั้นนี่ดูกลับมาทางนี้คือแทนที่ท่านจะบอกเราว่าจิตมันถลำลงไปไม่ตั้งมั่น ท่านบอกไปดูอะไรตัวนนท์นี่ดูย้อนมานี่อ๋อถ้าจะให้ย้อนมาที่ตัวผู้รู้ได้ความรู้ชั้นยอดแล้ววันนี้นะเข้ากุติเลยกุติที่ไปอยู่เนะยติดกับกุติหลวงพ่อคืนละเปิดประตูมาก็ใจอีกันเลยประตูหันหน้าเข้าหากันด้วยกุติอยู่ติดกันหลวงพ่อขยันภาวนาท่านชอบ ให้อยู่ใกล้ๆเข้าห้องได้นะเราก็ไม่เอาตัวถูกรู้จับเอาตัวผู้รู้เลยดูไว้ที่ตัวผู้รู้แนละ้วดูไปดูไปนะจนใกล้สว่างรู้แล้วผิดใน่าผิดจิตไปจับอยู่ที่ตัวรู้แล้วไม่เดินปัญญาไม่อะไรทั้งสิ้นเลยจับตัวรู้อยู่นิ่งๆเลย ดูไปดูไปโมโหนะกรรมฐ า, านเราเสียหมดแล้วเรอเคยเดินปัญญาได้จับผู้รู้ไปทีเดียวทุกอย่างนิ่งหมดว่างหมดพอแสงสว่างเกิดขึ้นพระอาทิตย์สว่างแสงส่องแสงเงินแสงทองขึ้นหลวงพ่อผลักประตูกุฏิอย่างรุนแรงด้วยความโมโหหลุมพ่อคืนมาทำให้เราเสียเวลาแนละ้วผลักประตูโครม หลวงพ่อคือก็ผลักออกมาพร้อมกันเลยฉิดท่านไวมากนะท่านรู้ว่าเราจะเล่นงานท่านแล้วนะท่านก็เล่นงานหลวงพ่อก่อนเลยประโมดพาวนาไงไม่ได้เรื่องบอกว่าหลวงพ่อสอนผมมเนะนี่ยเลยไม่ได้เรื่องเลยนะโอ้โหนะท่านปวดร้อนเลยผมไม่ได้ให้จับตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ให้จมลงไปในตัวที่ถูกรู้บอกแล้วทําไมไม่บอกนะบอก นี่ย้อนมานี่ย้อนมาดูนี่ก็ทํามืออย่างนี้ด้วยนะไอ้ตัวรู้มันอยู่แถวนี้ไหมอยู่ข้างบนมันดูอ๋อให้ดูตัวรู้หลวงพ่อแก้อยู่เป็นปีเลยพอลงมือปฏิบัติจิตจะจับตัวรู้ทันทีเลยเพราะตัวนี้ยแก้ยากที่สุดเลยจิตมันจะเอาก็จะหนีไปเป็นพระพรหมลูกเดียวเลยนะไม่ใอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้นะแค่รู้ว่าตัวรู้มีอยู่พอแล้วอย่าไปจ้องใส่มันจ้องใส่มันให้แก้ยาก หลวงพ่อเสียเวลาเป็นปีในการแก้จิตเข้าไปติดตัวผู้รู้เฉยๆอยู่ง้นที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อทำผิดมาเยอะนะเวลามาสอนพวกเราเนี่ยถึงองอาจกล้าหารรู้มันเคยผิดมาแล้วละ่ะไอ้อที่พวกเราผิดนะหลวงพ่อผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นล่ะแล้วผิดมาแบบดูเดือดเลยเพราะเวลาผิดเนี่ยเอาจริงอะ่ะมันควรเอาจริงนะจับผู้รู้ก็จับจริงๆเลย เวลากำหนดจิตอยู่ในความว่างก็ว่างจริงๆเลยเวลาติดเน่ยติดสนสาหาัสจิตมันโลดโผนงั้นพวกเราอย่าไปจับตัวผู้รู้นะแค่ให้มันมีตัวผู้รู้อยู่เท่านั้นแหละเป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลาค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปกินข้าวไป หลวงพ่อยังไม่สบายนะยังหายใจไม่ออกเลยเดี๋ยวเขาคุยกับพระ ก, ก่อน